บันทึกลับเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นโดยพระครูสังวรศิลวัฒน์หลวงปู่อุ่นชาเข้าโรอ่านโดยอริยะคุณจมรผมลดีจัดทําโดยครอบครัวหยองเอ็นโดยคุณพ่อสุกิตและคุณแม่ประคองหยองเอ็นบันทึกฉบับนี้เป็นบันทึกลับส่วนตัวของหลวงปู่อุ่นท่านไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับจนถึงวันมรณะภาพเมื่อท่านจากไปแล้ว ทางวัดป่าหนองคําหรือวัดดอยบันไดสวรรค์ได้รวบรวมสิ่งของบริการของท่านเพื่อจัดเก็บรวมไว้ที่กุฏิจึงได้พบสมุดบันทึกส่วนตัวนี้โดยบังเอิญเห็นว่ามีประโยชน์จึงจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์กับเล่าะสิทธิและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาต่อไปเผยแพร่ต่อได้จะ ต, ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดสัพพธนังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทาครั้งนี้จนร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับอาจาริยธรรมบันทึกส่วนตัวของพระครูสังวรศีลวัตรหลวงปู่อุ่นชาเข้าโรเปิดเผยความลึกลับของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระ เมื่อประมาณปลาย ป, ายปีพุทธศักราช2491หลวงปู่อุ่นได้เข้ากราบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์มั่นและได้กราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์และขอนิสัยจากท่านพระอาจารย์มั่นคำว่าขอนิสัยคือขอฝากตัวเป็นศิษย์หรือขอให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของตนช่วยอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาต่อไปใช้แก่ผู้ที่เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อฝากตัวต่อพระอุปชา ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เมตตารับไว้อยู่ในสำนักและปฏิบัติธรรมในปีนั้นที่วัดป่าบ้านน้องผือตำบล น, นานายอําเภอพน น, นิคมจังหวัดสกล น, นครซึ่งท่านถือว่าเป็นบุญอย่างที่สุดที่ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมในสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นจนทําให้ต้องยิ่งเพิ่มความตั้งใจปฏิบัติอุปถากและตั้งใจจดจ่อฟังโอวาจากท่านพระอาจารย์มั่นตลอดจนศึกษาเรื่องภายในจิต ที่เป็นไปต่างๆนาน า, นาอีกด้วยหลวงปู่อุ่นได้ร่วมพักจพํพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือหรือปัจจุบันคือวัดป่าภูริทัตต์ธีราวาสซึ่งนับเป็นพรรษาที่หของท่านและเป็นช่วงพรรษาสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นก่อนที่จะละสังขารเมื่อวันที่11ประศจิกายนพุทธศักราช2492นณวัดป่าสุทาวาส จังหวัดสกลนครซึ่งในงานถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2493จัดว่าเป็นงานถวายเพลิงศพรักกรรมมทฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในยุคนั้นเป็นดาพระเนนและญาติโยมพุทธบริษัทต่างก็หลังไหลมาจนเนืองแน่นวัดป่าสุทธาวาสและบริเวณโดยรอบซึ่งในงานนี้ ท่านเป็นองค์หนึ่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้เฝ้าจิตกาทานคือเชิงตะกรของท่านพระอาจารย์มั่นตลอดคืนกระทั่งจนถึงเวลาที่จะมีพิธีเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้นซึ่งท่านก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำงานถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนถึงวาระสุดท้ายในครั้งนั้นในระหว่างที่หลวงปู่อุ่น ได้อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นปุริทธตาเทระนั้นท่านเกิดความซาบซึ้งใจในธรรมะคาสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติตลอดจนเหตุการณ์อันน่าอาัศจรรย์ใจที่เกี่ยวข้องกับองค์ท่านพระอาจารย์มั่นอย่างยิ่งเพื่อเป็นอาจาริยบูชาท่านจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกและข้อธรรมที่ท่านได้ประสบมาไว้ดังนี้ ข้าพเจ้าเกิดมาในชาตินี้รู้สึกว่าเสียใจมากที่ได้ไปอยู่ร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นเพียงปีเดียวท่านก็มานิพพานจากแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไปฟังเทศอยู่ร่วมอุปถากท่านผู้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้นึกว่าไม่เสียทีประการหนึ่งรังสมัยนั้นเป็นพุทธศักราช2491ข้าพเจ้าอยู่วัดอรัญวาสีท่าบ่อ กับท่านพระอาจารย์เทศเทศระรังสีท่านได้พูดว่าพระเนนรูปใดจะไปฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นก็ไปเสียเดี๋ยวจะไม่เห็นท่านเพราะท่านได้ทำนายชีวิตท่านเวลาว่าอายุท่านจะถึงแต่เพียง80สปีเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้อายุท่านก็79เจะเข้ามาแล้วพวกคุณจะเสียดายเมื่อภายหลังว่าไม่ได้ฟังธรรมจากพระอาหารหันต์อย่างท่านอาจารย์ ครั้งนั้นก็ได้นรมาส ก, การลาท่านอาจารย์เทศท่านก็อนุญาตและส่งทางด้วยเมื่อเดินทางไปถึงวัดป่าบ้านหนองผือได้เข้าไปนมาส ก, การท่านและขอนิสัยขอมอบกายถวายตัวประวรณาต่อท่านท่านก็ยินยอมรับอยู่ในสำนักท่านนึกว่าบุญเรามากเหนือหัวแต่นั้นก็ตั้งใจปฏิบัติอุปถากท่านฟังเทศฟังธรรมจากท่านเรื่อยมา ตลอดศึกษาเรื่องภายในจิตที่เป็นไปต่างๆนานาบันทึกเรื่องที่หนึ่งความลึกลับที่มีอยู่ภายในท่านก็ถูกเปิดเผยออกมาที่จำได้คือข้าพเจ้ากราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นว่า กระผมขอโอกาสกราบเรียนการนิมิตเห็นดวงหฤทยัยคือหัวใจของคนตั้งปลายขึ้นข้างบนนั้นเป็นอะไรท่านเลยอธิบายไปว่าที่จริงดวงหฤทัยของคนนั้นก็ตั้งอยู่ตามธรรมดานี่แหละอันมันเป็นต่างๆนาๆตามเรานิมิตเห็นนั้นมันเป็นนิมิตเทียบเคียงคือปฏิภาคนิมิตเท่านั้นที่ท่านว่ามันตั้งชั้นขึ้นนั้น แสดงถึงจิตของคนนั้นมีกำลังทางสมาธิถ้าจิตตั้งขึ้นและปลายแหลมกกใหญ่คล้ายกับดอกบัวตูมกำลังจะเบ่งบานนั้นแสดงว่าจิตคนนั้นมีกำลังทางสมาธิและปัญญาแล้วถ้านาเลี้ยงดวงอรุทยตมีสีต่างๆกันนั้นหมายถึงจริตของคนเช่นโทสะจริตนั้นอรุธยแดง ทาราคาจริตน้ำเลี้ยงหัวไทยแดงเข้มๆถ้าจิตของคนที่หลุดพ้นไปแล้วเป็นน้ำหัวไทยขาวสะอาดเลื่อมเป็นประพัดสอนเหมือนทองหลอมและอยู่ในเตาเลื่อมอย่างนั้นแหละถ้าดวงหัวรือไทยเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนั้นหมายถึงจิตของคนนั้นไม่มีกำลังทางจิตคือศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลัง ปัญญาพลังถ้าธรรมะทั้งห้าอย่างนี้ไม่มีในจิตแล้วท่านว่าอบรมไม่ขึ้นไม่เป็นไปจะสั่งสอนทรมานสักปานใดไม่มีประโยชน์เลยถ้าดวงหฤทัยของคนนั้นมีกบเบ่งบานเหมือนดอกบัวอบรมสั่งสอนไปได้ผลตามคาดหมายจริงๆท่านว่าผมเองเคยเพลงดวงหฤทัยของผมเอง เห็นเลื่อมเป็นแสงเลยทีเดียวเพ่งไปเพ่งมาปรากฏแตกใส่ดวงตานี่คำพูดของท่านท่านจึงอธิบายว่าคนในประเทศไทยนี้ดวงหฤทัยต่างมูอยู่สามองค์คือดวงหฤทัยปรากฏว่ามีจานหรือแท่นรองสวยงามดีพระสามองค์นี้องค์หนึ่งคือท่านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วน ท่านมรณภาพไปแล้วส่วนสององค์นั้นยังอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่าบุญวาสนาบารมีพระสมองค์เนี่ยแปลกๆมู่เพื่อนมากท่านอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่ดูแต่หูชิ้นตาหนังเหมือนคนเราท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต้องดูด้วยตานอกตาในาเสก่อนไม่เหมือนปุตตุชนเราอย่างพวกเราเนี่ย มาเอาต่กิเลสมาสั่งสอนบังคับไม่ว่าใครเป็นอย่างใดฉะนั้นจึงเกิดสงครามกันบ่อยๆระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์จึงวุ่นวายกันอยู่ทั่วโลกส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านสั่งสอนไปมันก็ได้ผลจริงๆอย่างว่าคนจิตไม่มีพลังธรรมะหข้อก็คือคนอินทรีย์ไม่แก่กล้านั่นเองอย่างนี้โดยมากท่านไม่รับเอาไว้ในสำนักของท่าน ท่านใช้อุบายว่าควรไปอยู่แห่งนั้นแห่งนี้หรือกับคนโน้นคนนี้ดีบันทึกเรื่องที่สองครั้งหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจปรึกษาท่านด้วยจิตคือกุติของท่านอยู่ไม่ห่างไกลกับกุติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เข้าสมาธิทำจิตให้สงบดิ่งลงถึงภูมิจิตที่เคยเป็นมาแล้วนึกถามท่านว่าจิตของข้าน้อยตั้งอยู่อย่างนี้แหละข้าน้อยขอกราบเรียนว่าจิตข้าน้อยตั้งอยู่อย่างไรแล้วเรียกว่าจิตอะไรจึงขอนิมนต์ครูบาอาจารย์จงได้เมตตาบอกข้าน้อยด้วยนึกแล้วก็พยายามรักษาจิตอย่างนั้นไวจนกว่าท่านพระอาจารย์มั่น เลิกเดินจงกรมเมื่อท่านเลิกเดินจงกรมแล้วท่านก็ขึ้นไปกุฏิและลูกศิษย์ผู้เคยปฏิบัติอุปถากท่านคือท่านอาจารย์วันก็ขึ้นไปนั่งอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้ขึ้นไปนมัสการท่านแล้วนั่งอยู่โดยไม่ได้พูดอะไรกับท่านเลยท่านพูดเอ่ยมาว่าจิตของท่านอุ่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าจิตอันนั้นๆันนั้นทีเดียวข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเลยพูดอะไรอะไรไม่ออกทั้งดีใจทั้งเสียใจและทั้งกลัวท่านและอายท่านถ้าจะกราบเรียนท่านอย่างอื่นๆไปก็กลัวท่านจะเล่นงานเอาอยางหนักแต่ทุกวันนี้คิดเสียดายเมื่อภายหลังว่าเรานี่มันโง่ถึงขนาดนี้จริงๆจะเรียนท่านว่าจิตเป็นอย่างนั้น แล้วค่าน้อยจะทำอย่างไรอีกจิตจึงเจริญหลุดพ้นไปได้สมกับคำโบราณว่าอายครูบ่อฮู้อายชูบ่อดีคำเนี่ยมันถูกเอาเสียจริงๆบันทึกเรื่องที่สาม ครั้งสมัยท่านกําลังแสดงธรรมเรื่องความหลุดพ้นและอริยสัจธรรมสี่ข้าพเจ้าได้นั่งอยู่ตรงหน้าตรงตาของท่านตั้งจิตสํารวมส่งไปตามกระแสธรรมของท่านพร้อมทั้งกําหนดพิจารณาไปด้วยจิตข้าพเจ้าเลย ร, ว, รวมลงพับเดียวปรากฏว่าดวงจิตของข้าพเจ้านี้คล้ายกันกับเครื่องนาฬิกากําลังเดินหมุนเวียนอยู่พอนิมิตแล้ว จิตก็ถอนออกมาพอดีถูกท่านเทศใหญ่เลยว่าจิตพระอระหันต์ทั้งหลายนั้นจิตท่านไม่หมุนเวียนอีกไม่หันต่อไปอีกจึงได้นามว่าอารหันต์แปลว่าไม่หันท่านเหล่านั้นจะเอาอะไปใส่แล้วไม่เหมือนเราเรามีแต่หันอย่างเดียวไม่หยุดไม่หย่อนพระอระหันต์นั้นท่านตัดคงหันได้แล้ว ท่านทำลายกงสังสารจักรขาดไปแล้วด้วยอรหัตตมักคคำว่ากงคือวงหรือส่วนรอบของล้อเกวียนเช่นคำว่ากงเกวียนส่วนสังสารจักรก็คือสังสารวัตหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดข้าพเจ้าผู้นั่งฟังอยู่ครั้งนั้นจึงเกิดความมหัศจรรย์อย่างใหญ่หลวง ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นไม่แสดงธรรมด้วยหูหนังตาหนังเหมือนพวกเราท่านจกคือล้วงเอาหัวใจของผู้ฟังมาแสดงจริงๆธรรมะของท่านที่แสดงจึงถึงจิตถึงใจของผู้ฟังอย่างพวกเราแสดงให้กันฟังอยู่ทุกวันนี้มีแต่คนตาบอดผู้แสดงก็บอดผู้ฟังก็บอดบอดต่อบอดจูงกันไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน จะไปโดนเอาหลักเอาตอตกเหวตกขุมที่ไหนไม่ทราบกันเลยผู้เทศก็มีกิเลสผู้ฟังก็มีกิเลสกันทั้งนั้นผู้เทศเล่าก็หวังเอาแต่การเทศไม่เทศเอาคนมันจึงไกลแสนไกลสมกับพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษไกลกันเหมือนฟ้ากับแผ่นดินคำหนึ่งว่า ดูก่อนอานนทธรรมะของเราตถาคตไปสิงในจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นจากกิเลสแล้วธรรมะของเราก็เป็นธรรมะแท้ไม่ปลอมแปลงถ้าเมื่อใดธรรมะของตถาคตนี้ไปสิงอยู่ในจิตปุตุชนผู้มีกิเลส ธ, ธรรมะของเราก็กลายเป็นธรรมะปฏิรูปคือธรรมะปลอมแปลง ถ้าผู้เขียนนี้เขียนไปมากๆก็เหมือนดูว่าเทศไปอีกหละมันเป็นการเอามะพร้าวมาขายสวนไปจึงขอเขียนแต่เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปบันทึกเรื่องที่สี่วันหนึ่ง ตอนเช้ากำลังฉันจังหันพระเนนกกำลังแจกอาหารลงใส่ในบาทและพระผู้อุปถากท่านก็กำลังจัดอาหารหวานขาวลงใส่ในบาทท่านพระอาจารย์มันถ้าเป็นอาหารของแข็งหรือใหญ่ต่างองค์ก็ต่างเอามีดหัน่นหรือโคลด้วยครกต่างคนต่างกระทาด้วยความเคารพจริงวันนั้นข้าพเจ้าได้มองไปเห็นพระท่านรมก็นึกเกิดปิติขึ้นมาด้วยความเลื่อมใส ปล่อยใจเลื่อนลอยไปว่าแม่พระลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์นี้ตั้งใจปฏิบัติอุปถาด้วยความเคารพเลื่อมใสจริงเอ๊ะครั้งพุทธกาลโน้บนบรรดาพระสาวกทั้งหลายนั้นจะมีสานุสิทธิ์ปฏิบัติอุปถาดดีๆอย่างนี้ไหมหนอะคิดแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเราเป็นบ้าคิดเรื่องราวให้ไปกระทบกระทั่งจิตใจของท่าน ครั้นต่อมาในวันหลังบรรดาสานุษิษททั้งหลายที่เคยปฏิบัติอุปถาคท่านก็เข้าไปจะปฏิบัติถูกท่านห้ามอย่างใหญ่ว่าหยุดอยา่ามาทำนะวันนั้นท่านดุเอาจริงๆครั้นต่อมาวันหลังอีกจะเข้าไปปฏิบัติท่านเล่นงานอย่างใหญ่อีกว่าทำไมห้ามไม่ฟังเดี๋ยวถูกค้อนตีเอาแหละแล้วท่านก็บ่นว่ามันมาดูถูกกัน การปฏิบัติอุปถากอย่างเนี้ยในครั้งพุทธกาโน้นปราสาวกไม่มีหรอกวันนั้นไม่มีใครเข้าไปใกล้ท่านได้เลยการจัดสิ่งของลงในบาศ ท, ท่านจัดเองการอุปถากท่านนั้นจําเป็นต้องงดไปหลายวันต่อมาท่านอาจารย์มหาบัวท่านเป็นลูกศิษย์อุโสกว่ามู่พรรษาท่านขณะนั้น คงได้ในราว16พรรษาจึงได้เรียกบรรดาสานุสิตรุ่นน้อยมีท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์เนรอาจารย์คาพองอาจารย์สุวัตอาจารย์จันสมบ้านนาสีดาและข้าพเจ้าพร้อมกับอีกลหลายรูปไปประชุมกันที่กุติท่านอาจารย์มหาบัวว่าเรื่องนี้เป็นใครหนอได้นึกได้คิดอย่างว่านี้เป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อน ผมเองว่าพิจารณาเห็นว่าคงไม่มีใครหรอกเพราะว่าใกลๆที่ได้มาอยู่ก็ได้มอบกายถวายชีวิตกับท่านแล้วต่างคนก็ต่างเคารพนับถือท่านผมว่าจะเป็นอุบายท่านอาจารย์ทรมานพวกเราเฉยๆหรอกตามที่ผมได้อยู่กับท่านมาหลายปีผมเองเคยถูกท่านทรมานดูว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติอปปถากท่านเอาจิงเอาจังไหมหรือสักแต่ว่าทาเพื่อแก้เกอ้อเฉย แต่นี้ไปพวกเราต้องเข้าไปทำปฏิบัติท่านเลยท่านจะฆ่าจะแกงจะต้มอย่างไรเราก็ยอมเสียสละนี่ท่านอาจารย์มหาบัวแนะนำสานุศิ์รุ่นเล็กๆต่อมาก็เลยเข้าไปอุปถากท่านครั้งนี้ท่านไม่ว่าอะไรเพราะจะห้ามไว้ก็ไม่ฟังเป็นหน้าที่ข้อวัดของสานุศิษฐ์ผู้หวังดีจะทำกันแต่นั้นมาก็ไม่มีใครปรารับเรื่องนี้อีก แม้แต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ว่าอะไรตลอดถึงวันท่านนิพพานของท่านยังปิดบังไว้รั้นต่อมาประมาณยี่สิบกว่าปีข้าพเจ้าจึงมารำลึกถึงบุญคุณของท่านพระอาจารย์มั่นดูจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่ออยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นถูกท่านเทศกันใหญ่สมัยนั้นเราผู้ที่ไม่มีสตินี้แหละ เป็นเหตุทำให้หมู่เพื่อนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเดือดร้อนไปตามกันเมื่อมานึกทวนจิตรู้มันก็สายเสียแล้วจะทำอย่างไรดีจะไปขอขมาโทษคารวะท่านท่านก็ไม่อยู่ในโลกในภพไหนจึงนึกคิดขึ้นมาได้ว่าเหลืออยู่แต่โอวาทคำสอนของท่านนี่แหละให้เราเราต้องขอขมาโทษเคารพนับถือธรรมะของท่านที่ให้ไว้นี่หละ นึกขึ้นได้แล้วก็เบาใจต่อมานี่แหละท่านผู้อ่านทั้งหลายคนเรานี้แม้แต่จิตของตัวเราเองนี้นึกคิดไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรมันจะไปรู้จิตนึกคิดคนอื่นได้อย่างไรทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนผ่านไปผ่านไปหมดไปเฉยๆไม่ได้ทบทวนตรวจดูการดูจิตของตนเลย อย่างท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านเคยพูดให้ได้ยินบ่อยว่าผมเองพิจารณาเห็นจิตเห็นกายอยู่ทุกๆเวลาเช่นเห็นกายเป็นร่างกระดูกอย่างนั้นหละเอาผ้ามาห่มมาคลุมก็เห็นเอาผ้ามาคลุมร่างกระดูกอยู่อย่างนั้นท่านอ่านเรื่องนี้แล้วจงระวังอย่าให้เป็นดังจิตของข้าพเจ้าผู้เขียนนี้เลยเรื่องนี้ข้าพเจ้าผู้ถูกมาเอง จึงอดปิดบังไว้ไม่ได้เป็นของอัศจรรย์ข้อหนึ่งที่เคยประสบเหตุการณ์มากับท่านพระอาจารย์มั่นจริงๆบันทึกเรื่องที่ห้าวันหนึ่งตอนบ่ายท่านพระอาจารย์มั่นจะส่งน้ำ ตามธรรมดาเวลาส่งน้ำมีพระปฏิบัติท่านพระอาจารย์ในราวสักษามรูปไม่ขาดครั้งนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านองค์เนี้ยชอบหัวดื้อหน่อยและชอบทดลองสิ่งต่างๆด้วยพระองค์นั้นจึงคิดทดลองดูว่าท่านอาจารย์มั่นเนี่ยจะรู้ไหมจึงคิดในขณะไปสีขาให้ท่านว่ากกขาคือต้นขานี้ขาวเหมือนขาผู้หญิงเลยพอนึกเท่านั้น ท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าเอ๊ะท่านเนี่ยเป็นบ้าจริงๆเว้ยแล้วพระองค์นั้นก็ถอยออกจึงมา น, นึกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์จะรู้จริงๆรู้อย่างไรนอะแกยังสงสัยอยู่พอวันหลังก็มาปฏิบัติเวลาท่านอาบน้ำอีกพอสีเหงือกคลายขาท่านก็ลองนึกดูอีกครั้งนี้ท่านดุเอาอย่างใหญ่เลยว่าท่านนี่ออกหนีอย่ามาทําเลยไปหนีๆ ไล่ใหญ่อันนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนก็ได้ไปปฏิบัติท่านอาจารย์ในเวลานั้นเหมือนกันอันนี้นึกว่าท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านชำนาญทางปรจจตวิชาจริงๆจึงหาได้ยากอีกในโลกอันนี้บันทึกเรื่องที่หก สมัยหนึ่งเป็นเวลาออกพรรษาแล้วนายวันและนางทองสุขร้านสิริผลนครราชสีมาได้มาถวายกรถินครั้งนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นายวันนิมนต์มาด้วยมากองเจ่นท่านอาจารย์สิงห์ใหญ่อาจารย์ฟันอาจารย์สีโหรวัดป่าสุมนาไม้บ้านไผ่ท่านอาจารย์องค์นี้ไม่เคยมาและไม่เคยเห็นท่านพระอาจารย์ม่นเลยได้ไปพักอยู่กุฏิเล็ก หากจากกุติท่านพระอาจารย์มั่นประมาณสี่เส้นขณะนั้นท่านอาจารย์สีโหอาบน้ำข้าพเจ้าและพระอื่นๆมาปฏิบัติท่านขณะนั้นท่านอาจารย์สีโหจึงพูดกับข้าพเจ้าขึ้นเบาๆว่าเอ๊ะท่านอาจารย์มั่นเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนผมเห็นนิมิทท่านไม่ผิดเลยว่าลักษณะท่านคนน้อยๆคางเป็นแบนบัดนี้เราจะได้ฟังเทศท่าน เรานี่อยากให้ท่านเทศจริงๆว่าเราเนี่ยมันคาอยู่อะไรทำไมจึงไม่เห็นตนคาว่าแล้วก็ผลัดเปลี่ยนผ้าข้าพเจ้าก็เลยไปกุฏิตอนค่าครูบาอาจารย์ต่างก็ไปชุมนมที่กุฏิท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สีโหก็อยู่นั่นแหละท่านพระอาจารย์มั่นก็ทักทายปราศัยกับท่านอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไป พอท่านมองไปเห็นอาจารย์สีโหอนั่งอยู่ท่านเลยพูดขึ้นว่าท่านสีห์เนี่ยก็มีแต่ไปหากินข้าวต้มขนมข้าวอยู่แต่ในเมืองนี่นาทำไมไม่เห็นเข้าปลาไปภาวนาเล่าว่าแล้วท่านหัวเราะไรก็หัวเราะ ก, กันเพราะเป็นเรื่องขบขันผู้ฟังเพลินดูคล้ายกับว่าท่านพูดเล่นแต่ที่จริงท่านพูดตามเหตุที่ท่านรู้ทางจิต บันทึกเรื่องที่เจ็ดครั้นต่อมาอีกเช้าเวลาฉันจังหันครั้งนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระแขกติดตามมากับองค์กฐินในวันแม่ทองสุขเช่นอาจารย์สิงห์อาจารย์สีโหอาจารย์อ่อนอาจารย์ฟัน่นและพระอื่นๆอีกมากได้ไปรวมกันฉันทิศาลาหลังใหญ่เพราะที่หอฉันที่ไม่เพียงพอ ถึงฉันอยู่ที่หอฉันก็มีแต่พระเนรเจ้าถิ่นทั้งนั้นครั้งนั้นบรรดาอาหารหวานข้าวพวกโยมทั้งหลายเลยเอาขึ้นไปแต่หอฉันที่พระอาจารย์มั่นอยู่ไม่มีใครแบ่งไปสลาใหญ่เลยพระผู้แจกอาหารเช่นอาจารย์วันอาจารย์ทองคาและข้าพเจ้าผู้เขียนนี้ด้วยก็บังเ อ, อิญลืมแบ่งไปจริงๆหอฉันเสร็จแล้วไม่มีใครว่าอะไร ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ฉันอยู่ศาลาหลังใหญ่ก็ฉันแต่อาหารที่ได้มาในบาทไม่มีใครพูดอะไรเพราะกลัวความกระทบกระเทือนจะไปถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่พอตื่นเช้าวันหลังเท่านั้นแหละท่านพระอาจารย์มั่นเลยว่าโยมชาวบ้านหนองผือเลยว่าพวกโยมทำอาหารมาให้พระฉันกันอย่างไรอาตมาได้ยินว่าท่านอาจารย์สิงผลว่าอาหารจางอาหารจางอยู่ ในที่นี้เข้าใจว่าท่านพระอาจารย์สิงนั้นท่านแค่เพียงนึกในใจนะครับพระพวกพัตุเทศที่แจกอาหารเลยสืบถามดูความจริงแล้วจึงรู้ว่าลืมแบ่งอาหารไปสลาหลังใหญ่ปล่อยให้ครูบาอาจารย์ชั้นแต่ข้าวที่ไม่มีอะไรอะไรกันทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ท่านพระอาจารย์มั่นรู้เรื่องราวโดยไม่มีใครบอกอันนี้เป็นของอัศจรรย์ข้อหนึ่งตามข้าพเจ้าเคยผ่านเหตุการมา ในเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นบันทึกเรื่องที่8เรื่องอดีตชาติก่อนท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่าสมัยพระโสนะกับพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นสุวรรณภูมิคือนครปฐมเดี๋ยวนี้ ท่านอาจารย์มั่นนี้ได้เป็นสามเณรน้อยมาด้วยท่านว่าสมัยนั้นท่านคล่องคาอยู่ในการปรารถนาพุทธภูมิท่านจึงไม่ได้สําเร็จมรรคผลอะไรท่านกล่าวว่าสมัยนั้นน้ําทะเลขึ้นไปจรดกับจังหวัดสระบุรีหรือขาวงพระจันทร์ส่วนพระโสนะและพระอุตรานั้นชอบใช้เมถาวรทางกกเป็นแปดเหลี่ยมทางปลายนั้นเป็นสิหเหลี่ยม ท่านว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีคนมีบุญวัสนามาเกิดบ่อยๆและเป็นที่จุนุมของเทวดามเหสัก์ผู้มีฤทธิ์มากทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จมาอยู่ในเมืองไทยประเทศอินเดียไม่ค่อยมีเพราะเมืองไทยเรามีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นฉนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองแสนสงบสุขอุดมสมบูรณ์เป็นเอกราชมานาน เราเป็นดินแดนที่เกิดของนักปราชญ์ทั้งหลายพูดถึงตอนนี้เป็นเหตุให้เราคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศภาคภูมิใจมากและภาคภูมิใจที่ได้มาเกิดในเมืองไทยที่มีครูอาจารย์ผู้วิเศษมาโปรดนี้ได้ยินจากท่านพระครูศิล a k นสังวรหรืออาจารย์อ่อนสีวัดพระงามท่าบ่อพูดให้ฟังเพราะอาจารย์องค์นี้ท่านได้อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นตั้งหกปี ท่านรู้ดีเรื่องพระอาจารย์มั่นรายสนใจไปเรียนถามท่านก็ได้บันทึกเรื่องที่9เรื่องเข้าสมาธิเวทายตนิโรธสมาบัติท่านอาจารย์อ่อนสีวัดพระงามเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเรื่องเข้าเวทายตานิโรดนี้ เคยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่กราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่าพระอรหันต์จำพวกได้อภิญญาหกละปฏิสัมพิทาสีจิตถึงจตุทัตชาแล้วจึงเข้าได้อย่างพระมหาสารีบุตรพระมหากสปะท่านเข้าได้ถึงเจถึง8วันจำพวกพระอรหันต์สุขวิปัสสโกเตวิโชอันนี้เข้าไม่ได้ ท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่าเอานะ่าเชื่อไอเท่านา่าเพราะท่านเคยเตือนลูกศิษย์ว่าอย่าไปคิดมันเลยเรื่องนี้ว่าแต่สิ้นกิเลสตันหาก็พอพวกเราเนี่ยมันหมดยุคผู้มีบุญวาสนามากแล้ววาสนาของสัตว์โลกนับวันแต่จะด้อยลงไปทุกทียิ่งเลย 2,500 ันปีไปแล้วคนที่จะสำเร็จมรรคผลเพียงแค่แต่พระโสดาบันเนี่ยก็ยากท่านว่าดังนั้น อย่าอยากดีอยากดังเกินไปมันจะไม่พ้นทุกข์นี่ท่านเตือนสานุสิทธ์หมายเหตุแต่ก็อย่าลืมนะครับท่านแค่บอกว่ายากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ยากกว่าสมัยก่อนเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์หลีวัดโสการามก็เคยพูดบ่อยๆว่าเลย 2,500 ไปแล้วคนจะทำความดีได้ยาก มีแต่คนชั่วเอาความชั่วมาทับถมกันจริงอยู่คำนี้สมัยทุกวันนี้พระท่านถือธุดงไปเจริญสมณธรรมอยู่ป่าอยู่เขาไกลแสนไกลสูงแสนสูงเท่าใดคนยังไปรบกวนถามบัตรถามเบอร์ท่านไม่ถามเรื่องบุญเหมือนสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ถามกระแต่เรื่องเบอร์ทั้งนั้นพระสมัยนี้ก็สแสวงหาแต่อย่างนั้นเหมือนกัน แล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรใครก็หาแต่มนุษย์สมบัติไม่หานิพพานสมบัติพระท่านผู้หวังจะข้ามจากโลกก็พลอยลำบากไปด้วยเพราะโลกเขาไม่อยากให้ข้ามไปเลยข้าพเจ้าได้ค้นดูหนังสือโบราณคือหนังสืออุรังคธาตุตอนหนึ่งว่าพระมหากัสปะเทระเจ้า ได้สร้างประทาตุพนมจังหวัดนครพนมทางฝ่ายคารวะมีพระยาคำแดงพระยาเมืองอินทปัตถานครพระยานันทเสนพระยาปิงคราชพระยาสุมิทฐานครโปรดให้เขียนรูปม้าอัสดรใส่พระทาตโดยผินหน้าไปทางทิศเหนือแม่น้ำโขงผินหางไปทางทิศใต้แม่น้ำโขงแล้วพระมหากษัตริเทระเจ้าจึงทํานายพยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปครั้งหน้าศา ส, สนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายส้อยศา ส, สนาแถบแม่น้ำโขงนี้จะเจริญรุ่งเรืองจะมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแถบสายแม่น้าโของอันนี้ข้าพเจ้าบอกตรงตรงเลยว่ามันต้องเป็นสมัยท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์สาวนี้ไม่มีผิดจริงๆเพราะพระทั้งสอ ง, ององค์ท่านนี้ก็เป็นชาอุบลซึ่งมีเขตจรดกับแม่น้าโขง และเวลาท่านสององค์นี้เที่ยวเทศนาโปรดประชาชนก็เที่ยวโปรดตามสายแม่น้ำโขงนี้เป็นคำสันนิษฐานของข้าพเจ้าจะผิดหรือถูกประการใดขอพิจารณาดูเถิดและให้อภัยแก่ข้าพเจ้าผู้เขียนด้วยอีกตอนหนึ่งในหนังสือพุทธธรรมนายว่าใกล้ศาสนาส5 0 0นาปีจะมีผู้มีบุญวาสนามาเกิด มีพระยาธรรมมิกราชมาปกครองบ้านเมืองฝ่ายพระศาสนาจะมีพระอรหันต์มาเทศโปรดบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเจริญเรื่องทางด้านปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมเรื่องนี้ได้มีครูบาอาจารย์บางรูปได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดว่า มันเจริญมาแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สท่านก็เป็นจอมปราดปกครองบ้านเมืองได้ปรับปรุงทางคณะสงฆ์และได้ปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญจนมาถึงรัชกาลที่หบ้านเมืองได้เจริญถึงขีดท่านว่า ด, ดังนั้นส่วนฝ่ายพระศาสนาก็มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรร พระองค์ท่านก็ได้ปรับปรุงด้านการศึกษาปริยัติธรรมนี้ขึ้นมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ด้านปฏิบัติปฏิเวทธรรมอันนี้มันเจริญอยู่กับผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นความเจริญมันไม่ใช่ทั่วไปผู้ใดปฏิบัติเห็นมรรคผลนิพพานก็ว่ามรรคผลนิพพานยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนพระพุทธเจ้าปริญนิพพานไป ท่านไม่ได้เอามรรคผลนิพพานไปด้วยคงอยู่ตามเดิมเอสะธัมโมสนันตโนพระธรรมเป็นของมีมาแต่ดังเดิมไม่ไปไหนพระพุทธเจ้าตรัสเวลาว่าดูก่อนอานนเมื่อใดภิกษุในพระศาสนานี้ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกอันนี้คำพูดของท่าน ผู้เห็นทำแล้วหลุดพ้นแล้วพูดทีนี้เราผู้มืดมนและคล่องคาอยู่มาพูดกันตามความเห็นแล้วว่าพระผู้วิเศษคือพระอระหันต์จะมาเที่ยวเทศนาโปรดประชาชนนั้นข้าพเจ้าว่าไม่ใช่อื่นไกลคือท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นนักเทศเอกในประเทศไทยและท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นนี่แหละไม่ใช่ท่านเหาะมาทางอากาศมาประกาศว่า ข้าพเจ้านี่คือพระอาหารหันต์จะมาโปรดท่านเน้ออย่างพวกเรานึกคิดกันท่านได้สําเร็จแล้วก็แล้วกันไปหลุดพ้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่ว่าจะมาหามแข่งหามแสงเหมือนกลองยาวเคยมีพระบางพวกหามไปเข้าสมาธิให้คนดูอันอย่างนั้นมันไม่มีในพระสาวกเสียแล้วและพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏว่า พระองค์เข้านิโรธสมาบัติแล้วให้สาวกหามไปให้คนดูว่ามาเนอมาดูเราเข้านิโรธอย่างเนี้ยไม่มีพระวินัยก็ปรับอาบัติไว้แล้วว่าภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมแก่ชาวโลกเขาปรับอาบัติปาจิตติดังนี้ท่านผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วท่านไม่อ้วอวดไม่อยากดังเหมือนพวกเราที่มีกิเลสอยู่หรอก ถึงบอกไปคนอื่นเขาจะเชื่ออย่างไรเขาไม่เห็นด้วยมีแต่เขาจะว่าท่านเนี่ยบ้าแล้วกระมังฉะนั้นการบอกเปิดเผยธรรมวิเศษที่มีในตนนี้นอกจากอาบัติแล้วก็ไม่มีประโยชน์ผลได้น้อยกว่าผลเสียแต่ระษาอะไรแต่สาวกของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เองได้ประกาศว่าเราเป็นสยุมภูผู้ตรัสรู้เอง คนอื่นก็ยังเชื่อยากทั้งตำราพวกพราหมณ์ก็ทำนายกันทั้งประเทศอินเดียว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกเมื่อพระองค์เที่ยวประกาศพระศาสนาคนบางจำพวกก็ยังไม่เชื่อพระองค์จนได้แข่งริดแข่งเดชกับพระองค์จะเอาอย่างไรกับมนุษย์ผู้มืดหนาฉะนั้นเรื่องพระอาจารย์มั่นนี้ก็เหมือนกัน ต้องถูกปิดบังไว้ตั้ง20สิบกว่าปีจึงมีว่แววขึ้นเดี๋ยวนี้เองหลวงปู่อุ่นชาเขโรท่าน ม, มรณภาพาไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสอ4 4รสิบิริอายุ79ปี57าเจพันษา หลังงานพระราชทานเพลิงศพปรากฏว่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุนับเป็นสิทธิท่านพระอาจารย์มั่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งซึ่งอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันยังมีพระดีพระแท้อีกมากนะครับที่ปฏิบัติปลีกวิเวกในที่ห่างไกลและมักไม่แสดงตัวซึ่งการทําบุญกับพระแท้นั้นถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากและเป็นการรักษาพระศาสนาไว้โดยตรง แต่เราจะไม่รู้และแตัดสินได้ว่าพระไหนเป็นพระแท้พระดีจริงหากไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมให้เพียงพอนะครับฉะนั้นการรักษาพระศาสนาที่ดีที่สุดก็คือพวกเราต้องใส่ใจร่วมการศึกษาปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตรงทางเสียก่อนจึงจะเกิดผลดีได้จริงทั้งต่อตอนเองและสังคมหน้าที่หลักของชาวพุทธแท้ที่ควรกระทำมีสามอย่างนะครับหากต้องการความสุขแท้หากต้องการพ้นทุกข์ ก็คือการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมขออนุโมทนากับท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญอย่างยิ่งที่ได้สะสมกุศลไว้มากพอจึงได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีใจใฝ่ศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งคนอีกมากและหล่อสรพสัตว์ทั้งหลายอีกนับจานวนไม่ท้วนอีกทั่วหมื่นจักรวาลอนันตจักรวาลที่ไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับ การศึกษาเป็นการเอาตัวเข้าถึงเข้าใจหลักโดยตรงในเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นการเข้าถึงแก่นแท้ด้วยการเห็นตามจริงการเผยแผ่ธรรมเป็นการสงเคราะห์โลกและเหล่าสัพพสัตว์เมื่อผู้คนเปลี่ยมศิลธรรมโลกย่อมสงบสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ถูกเบียดเบียนและอ น, นิสงส์แห่งการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องนั้นจะเป็นไปตามหลักผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญา อันจะนำพารู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดเจนได้สะดวกยิ่งขึ้นดังมีพระพุทธพจน์ปรากฏไว้ว่าสัพพะธนังธรรมธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขออนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทาสื่อธรรมเผยแพร่ทุกท่านทั้งในอดีตในปัจจุบันและแม้ความตั้งใจในอนาคตขอทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป ขอจงพ้นภัยอันตรายทั้งภายนอกภายในทั้งปวงด้วยเถิน